พระธรรมเทศนาแผ่นที่98ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่9กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าวางแผนตอนหนุ่มตอนแก่ ข้าวอย่างนี้ในท่านคนโบล่านเขาวายท่ายกเนี่ยเป็นปุบปัปุบปับเป็นท่ายกผูหนึ่งบ่เป็นท่ายกเข้าวด้แท่ายกของอื่นหมดลงไปปุบปับปุปับมาบายเล้เขาว่าเอาท่ายกไว้ใบเป็นเขาวายที่ถวายท่านแลยท่ายกปุปับมาคว้าผาาคำหมามาดจีผาดเป่าคนโบร่านผงมีผ่าคำหมาผาดป่านียบาให้ปุบปับมาเลยเอาตรงสินของเมี่ยวมาผาดเปล่าลไป พ่อมอหอดป่านี่ซักหน้าใส่ลังซักหน้ามันมเป็นผ่าข้ามาตัวเนี่ยมันผ่าถุงของเมียตัเดยเโอ้ยเปิดนี้อัลารนั่นแหละถ้ายกปูน้ำเนี่ยมันต้องคองแข่วไละมันต้องเบิ่งจัก่อไปนยปุ๊บปับนี่ยได้ผาถุงมากัมัดท่าแทะเราอันนี้เขาบอกนิทานในสมัยสมัยก่อนว่าไปพรงพอมอเราให้ลูกให้หลานฟังว่าเอา เริ่มไหว้พระสมาทานสินะวันนี้เป็นวันจินะนะคะท่าหยาดงม่มสาธุมยังพันเตติสละเนนสหต่อไปตั้งใจสมาทานสินสินวันนี้เป็นสินวันขึ้นแดค่ำเดือนสิบเป็นวันที่ พวกเรารักษาศีลมาตั้งแต่เข้าพรรษามาถึงวันนี้เป็นเป็นศีลที่เจ็ดแล้วนะคณนะาสทายาิโยมนะเป็นศีลที่เจ็ดแล้วแต่คราวหน้านะเป็นศีลที่แปดแปลว่าสองเดือนเต็มวันเดือนสิบเพนคราวหน้าวันเดือนสิบเพนนี่เป็นวันทำบุญฉลากกรพัดเป็นทำบุญใหญ่ตักบาทรอบซาลาเหมือนกับทำบุญเก้าดับที่ผ่านมานี่แหละ เดือนเก้าดับเดือนสิบเพนเป็นบุญประเพณีของทางอีสานของพวกเราโบราณการกลุ่มอีสานของเราทําบุญในเทศกาลช่วงเข้าพรรษาเดือนเก้าดับคือเข้าวประดับดินเดือนสิสิเพนคือบุญข้าวฉลา ก, กพัดนะแต่วันนี้ก็เป็นวันขึ้นแปดค่ําแปลว่าคราวหน้าเนี่ยแปลว่าวันเป็นวันข้าวฉลากละ เป็นวันผ้าใหญ่แล้วก็วันนี้เป็นวันรักษาศินของพวกเราเป็นสิลที่เจ็ดข่าวหน้าเป็นสินที่แปดแปลว่าสองเดือนเต็มข่าวหน้าเนี่ยแล้วก็ยังอีกเดือนสิบเอ็ดแผ่นเดือนเก้ารับเดือนสิบแผ่นแล้วก็เดือนสิบเอ็ดแผ่นเป็นวันออกพรรษาของพวกเราละ พราะนั้นให้พวกเราอย่าได้ขาดตกบกพร่องรักษาศีลมาเป็นศีลที่เจ็ดแล้วนะพอรักในพนนรรษาในกหลวงพ่อประกาศแล้วบอกอีกว่ามีอยู่12วันเท่านั้นเองสี่สาอยเราจะให้ขาดตกบกพร่องในการทำคุณงามความดีของพวกเราเพียง12วันในปีหนึ่งพวกเรายังขาดตกบกพร่องอยู่จะแสดงว่าพวกเราเนี่ยละหลวม ต้องการความสุขความเจริญเข้าสู่จิตใจแต่ประกอบคุณงามความดีนี่เลาะแหละเต็มทนความมุ่งหวังของเรากับความปรารถนาความสุขของเรามันห่างกันเกินไปมันก็ไม่น่าจะถูกนะเหมือนกับเราปักดำนาเพียงกระต่ายดิ้นตายคนโบราณว่านะเพียงหน่อยเดียวนะแต่ต้องการนู่น ต้องการความสุขต้องการรว ย, วยมันจะรวยได้ยังไงเพราะการกระทําของพวกเรามันน้อยนิดจะรักษาศีลเพียง12วันก็นยังขาดตกบกพร่องแล้วพวกเราจะหวังพุ่นขอให้ร่าให้รวยให้สวยให้งามให้มั่งให้ ม, มีมีความสุขสวรรค์นิพพานมันพูดได้แต่ว่าการกระทําของเราเนี่ยอ่อนเกินไปเพราะนั้นในพรรษานี้น่ยอย่าให้ขาดตกบกพร่อง เ, เพียง12วัน หลวงพ่อเองกล่าวย้ำเตือนอีกเพื่อมาให้พวกเราชลาใจเลว่ารุ่มหลงจนเกินไปนะที่พูดให้ทุกวันพรานี่ก็เพื่อเตือนเตือ น, นพวกเราอย่าให้อย่าให้ขาดตกปกพองเนอะเพียงส2องวันให้ใส่ใจในการบมเพ็ญกุศลให้มีสัจจะคือการสร้างคุณงามความดีนะต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสิลน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธสัสสะสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีหลังวิโสทาเยาุวันนี้เป็นวันศุกร์ที่เก้ากันยายนพุทธศักราชสอง9ันห้าร้อยห้าสิบเก้าวันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดคำเดือนสิบ ที่เราสมาทานสินจบลงสุกสักครู่นี้ต่อนี่ไปก็ให้พวกเราตั้งใจสมาทานเมื่อสมาทานสินแล้วก็รักษานะ้ทีนี้นะรักษาศินให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งศิลนี่นนแลเป็นเครื่องประกันมนุษย์ชาติเรีวยว่ามนุษย์โลกทั้งหลายเรีวยว่าสัตว์ประททั้งหลายในโลก ถ้าหากว่าพวกเราเป็นผู้มีสินจึงอย่างเดียวเนี่ยสินเนี่ยนะเป็นเครื่องประกันสินสินเป็นเครื่องคุ้มครองสินเป็นเครื่องทำให้พวกโรคทั้งโลกร่มเย็นเป็นจุกท่วนหน้ากันถ้าหากว่าผู้ใดขาดสินไม่มีสินขาดช่วงระยะเรียกว่ารักษะสินมาโดยตลอดก็รจงยุแต่มาขาดนะมันก็ทำให้สินขาดสิ่งที่สินขาดนะนะคือความชั่วเเนี่ย คือไม่สม่ําเสมอไม่ต่อเนื่องความการรักษาสินไม่ต่อเนื่องขาดศินสินขาดสิรอดศินด่างสินพลอยสินทะลุศินด่างก็คืออะไรเหมือนกับเสื้อผ้าเขาเราไปถูกอย่างมัดต่อยหรือถูกอย่างกล้วยลักษณะนันสินด่างสินพลอยก็เหมือนกับเสือเ้อขาวขาวของเราไปตากฝนทางโบราณรขาว่าคนอย่างอีสานว่าตกไข่บัก ไอ้ขาวมันเป็นเม็ดเล็กๆมันพร้อยเหมือนกับยางมัดต่อยเลยกระเด็นใส่ผ้าขอลเนี่ยเป็นจุดเป็นจุดอมันมันด่างมันพ้อยอสินทะลุคืออะไรคือมันผ้าขาดเป็นรูนะสินทะลุสินขาดคือมันขาดออกจากกันไปเลยเป็นคนละชิ้นไปเลยนี่แหละคนโบราณก็ว่าสินของเราก็เหมือนกัน ถ้าว่าเราทำไม่ดีเมื่อรักษาจบลงไปแล้วถ้าเราไม่รักษาศินด่างมันเป็นยังไงกระทำให้ขาดตุกปกพ่องไปไม่ถึงกับมันขาดมันด่างไปตีไปต่ปตอยเข้าๆแต่ไม่ถึงกับขาดมันด่างมันพร้อยกับเป็นด่างไปด่าเขาไปว่าให้เขาทามันทะลุคล้ายๆกับว่กทำไปเออ รุนแรงเกินไปทำมันขาดแปลว่ า, ามันฆ่ากันฆ่าเขาไปเลยอันนั้นแปลว่าขาดนี่แหละอันนี้ก็คือให้พวกเรารักษาไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราทุกๆุกท่านาถ้าเรารักษาดีแล้วเนี่ยสินเนี่ยเป็นเครื่องกุ้งครองไปอยู่นสถานที่ใดร่มเย็นเป็นถุกไปหมดถ้าว่าสินมันเมื่อเราทาไม่ดีด้วยในช่วงที่ทาไม่ดีนี่มันเป็นโทษ เมื่อเราทำดีแล้วมันกด็ดีมันก็เป็นคุณในช่วงที่เราทำดีแต่ถึงยังไงในช่วงที่มันเป็นโทษมันก็ยังเป็นโทษอย่างเก่าเพราะอะไรเพราะเราทำลงไปแล้วเพราะนั้นในการทำความชั่วนะคิดขึ้นมาเมื่อคิดขึ้นมาก็ไม่มันผิดแล้วเนี่เมื่อคิดขึ้นมาก็ผิดนะคิดชั่วนะถ้าทำลงไปก็ทำชั่วถ้าพูดขึ้นไปก็พูดชั่วนี่แหละหลวงพ่อย้าแล้วย้าอีก ที่หลวงพ่อพูดมาถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดเมื่ อ, อหลายหลายปีให้หลังหลวงพ่อบอกว่าเหมือนกับเราทาเหมือนกับคนคนหนึ่ง อ, อยู่ทงางจังหวัดน้องคายหรือจังหวัดอุดรของเร า, เ, าเป็นนักเลงหัวไม้แปลว่าทั้งปน่นทั้งอะไรต่อม้อะไรทำความชั่วเสียหายอย่างมากแต่พอต่อมาเนี่ยได้ฟังเทศฟังธรรมสานึกผิดได้ ขึ้นไปอยู่ทางภาคเหนือเถอะพอไปอยู่ทางภาคเหนือกลับตัวใหม่โอ้โหเป็นคนดีเป็นคนละคนกันเลยเถอะเนีไปถืออยู่ทางภาคเหนือทำดีทุกอย่างจนพี่น้องทางภาคเหนือเชิดชูบูช า, าว่าเป็นคนดีมากๆ เ, าเป็นที่ยอมรับกันทั่วนหน้ามีจิตใจเผื่อแผ่พัฒนาท้องถิ่นของเขามีแต่ให้ความอบอุ่นเพราะตัวเองอยู่ทางนี้มันเป็นเห็นโทษแล้นะ ทำความชั่วไม่ติเดือดร้อนใช่ไหมล่ะอพอต่อมาตำรวจเอ้มันไปไหนไอน้นันวานะตำรวจก็สืบสอบนะมันนักเลงหัวไม้คดีความทั้งนี้ทั้งเยอะแยะไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่มันหลบไปไหนว่ามันตายหรือย่างมันตายก็ไม่เห็นว่ามันตายมันหลบไปไหนนี่ยตำรวจก็สืบสอบนะพอไปถึงเชียงใหม่เขาไปจับอพอไปจับได้ทีนี้ท้ง คนทางเชียงใหม่เขาโวกเวกโวยวายใช่ไหมนะโอ้ทำไมจับคนดีของเราคนพัฒนาประเทศชาติอย่างนี้หาได้ที่ไหนทำไมคนชั่วทำไมไม่จับทำไมจับคนดีๆอย่างนี้แต่ตํารวจเขาไม่ว่าเนเขาบอกว่ามันทำความชั่วมาจากจังหวัดน้องคายคนมาอยู่ทิ้งนี่มันกลับตัวเป็นกาทัวดีแต่ว่าความชั่วไม่ต้องไปใช้กรรมซะก่อน เ, อเมื่อใช้กรรมหบดตัว น, นั้นแล้วนะ มันยังค่อยมาสวยความสุขหรือวมาทำงานต่ออีกจุดนี้นี่แหละมันกรรมรู้กรรมดีกับกรรมชั่วนมันเป็นคนละวักละตอนกันนะศรัทธาญาติโยมนะเพราะนั้นเราจะไปมั่วใส่กันไม่ได้คนนี้ทำดีแล้ความชัว่วมันมันหักล้างกันใช่มันหักล้างได้แต่ที่ยังไงพอไปถึงขึ้นาาศาลพิพากษาเขาก็ว่ า, าตัดใจจริงโยอันนี้ คนคนนี้ไปทําความชั่วแต่สมัยโน้นแต่เขาทำคุณงามความดีนะเอาคุณงามความดีที่ได้ทํามาในหักล้างโทษโทษที่ทําไปก็เบาเบาลงนะเบาลงเพื่ออะไรเพราะว่าเขาสํานึกผิดเขาเห็นโทษ เ, เขาเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีศาลศาลท่านก็ลดโทษให้หรือว่าปณีปนอม ถ้าขนาดใดขนาดถึงถ้าไม่หนักหนาจนเกินไปต้องก็ให้พักโทษไว้ก่อนออไม่เอาโทษแต่ก็อยู่ในในระหว่างออจะทําโทษอีกนะจะทําผิดอีกนะอันนี้ก็คือมีหลายระดับขั้นตอนเหมือนกันเพราะฉนั้นโทษบุญกุศลบาปอากุศลก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันช่วดออที่มันเป็นไฟถึงจะเล็กน้อยออก็คือไฟนะมันร้อน ถ้าแตะเข้าไปมันก็ร้อนเอาไฟของเราที่ไม่ได้น้อยหน่อยเดียวนะมันจี้เข้าไปตรงไหนมันก็ร้อนทั้งหมดเพราะมันเป็นไฟถ้ามันมากก็ไหมเออ้เสียหายหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นความชั่วอย่าทํำเลยดีกว่าที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแนะนําสั่งสอนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านั่นแหละให้พวกเราท่านทั้งหลายประกอบคุณงามความดีให้รักรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาประกอบสัมมาชีพนะ อันไหนที่เป็นสัมมาชีพให้เราทําสิ่งนั้นหมั่นขยันอดทนทํามาหาเลี้ยงชีพให้การทํามาค้าขายให้มันขยันทําราชการงานเมืองขนาดไหนก็ตามให้ขยันไล้ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อหน้าที่หน้าที่ก็ก้าวก้าเรื่อยก้าไปเรื่อยๆการงานแต่พอได้เงินมาแล้วสิ่งที่ตอบแทนมาเนี่ย เราต้องรู้จักพัฒนาเลยท่านบริหารจัดการกับเงินตนเองที่ได้มานะต้องรักษาแล้ท่านจุดนี้แหละจุดนี้ก็สำคัญการทำงานทำการก็สำคัญการได้เงินมาแล้วก็พัฒนาบริหารจัดการนี่ก็สำคัญถ้าเราได้เงินมาแล้วใช้อิรูจูแจกใช้ไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักรักษาเงินจำนวนที่ได้มาแล้วก็มันก็เหมือนมีปีกมีหางลั่ไหลไปเรื่อย มันจะหาความมั่งมีสีสุขได้อย่างไรเพราะหะไรเพราะเราไม่รู้จักเก็บนะถ้าพวกเรารู้จักเก็บเพราะเก็บเข้ามาแล้วก็เอาหน้าที่ ก, การงานของเราอย่างนี้เราก็ควรจะทำมาค้าขายยังไงต่อไปอีกเ อ, อเอาเงินต่อเงินไปเรื่อยที่ไหมผสุดก็นะ่ยมั่งมีสีสุขอย่างไม่ไม่เป็นเศรษฐีก็มีการเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขในอัตภาพ เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะการดำรงชีพทุกวันนี้เนะี่ยมันหลายคนมันหลายกลุ่มหลายหมู่หลายคณะ เ, เราจะไปทําตามอำเภอใจตามทำตามอัธถลาใจทําตามเหยียดตัวเองอยากจะทำํำมันไม่ได้นะมันไปบางทีไปเหยียบคนอื่นเขาไปทําร้ายทำลายคนอื่นเขาเ อ, อ, อย่างนี้แหละเราต้องคิดการคิดออพอคิดขึ้นมาเลยมันจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นหรือเปล่า จะทำให้คนอื่นรวืดร้อนหรือเปล่าที่การคิดของเราเมื่อทำลงไปแล้ว เ, เมื่อพูดลงไปแล้วจะทำให้คนอื่นเขาทุกข์ใจหรือเปล่าทำให้เขาเดือดร้อนหรือเปล่าผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือเปล่าผิดศีลธรรมหรือเปล่าเออมันหลายเปล่านะพนังขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเออที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นบุตรลูกของพระพุทธเจ้าวพวกเราต้องคิดนะคิดให้ทีท่วน คิดให้รอบครอบจากนั้นเมื่อมีสินดีแล้วนะเราก็มองไปในอนาคตที่นี่ชีวิตของข้ามาถึงปูนนี้แล้วอาอยุเท่าไหร่ของข้าเนี่ยจะยืนยาวยืนยาวไปสักเท่าไหร่เราไม่ควรจะประมาทจนเกินไปนะการทํามาหาเลี้ยงชีพเอาเถอะเรามาทําถึงปูนนี้แล้วถ้ามันจะรวยก็คงจะรวยแล้วล่ะแต่คงจะไม่จนถึงคงจะไม่รวยกว่านี้ก็มั่ง เอาเถอข้าพเจ้าจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทส่วนทางด้านจิตใจข้าพเจ้าก็ส่องแสวงหาคุณงามความดีส่องแสวงบุญกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจของของเราต่อไปให้มุ่งมั่นให้มุ่งหวังไปทางนมามธรรมเลยแต่สมัยน้อยหนุมไปถึงปุนีฯเราก็ส่องแสวงหาทางรูปธรรมคือหาเงินคําทรัพย์สมบัติสร้างฐานะสร้างครอบครัวของเราให้ดี การคิดการพูดการกระทําสิ่งไหนก็ตามมีแต่ความมุ่งมั่นสร้างฐานนะแต่พออายุเจ็ดส0บ0ปดสิเ 70, 80, 60, 70, ข้าไปแล้วให้ดูให้สร้างทางนมามประธรรมนะหลวงพ่อไม่อยากจะให้สร้างทางรูปประธรรมทีนี้พออายุมากแล้วแต่ถ้าว่าสมัยเป็นน้อยหนุ่ม เ, เราต้องขยันนะมันขยันในการทํามาหาเลี้ยงชีพชละใจไม่ได้นะ เ, เราต้องสอแสวงหาปากกัดตีนถีบ ยังไงมันจะเจริญรุ่งเรือง ม, มันจะกล่อมรวยขึ้นมาเราต้องทําเราอย่าไปนอนใจชะลาใจเมื่อได้มาแล้วเก็บรักษาเมื่อเราเอานําไปใช้เมือภายแก่แต่เมื่อเมื่ออายุแก่ขึ้นมาแล้วเนี่ยหลวงพ่อไม่แนะนำให้ให้มันขยันอย่างนั้น เ, นเอไม่ใช่ว่าเท่าแก่ชะลาโน่นตกไปตกแห่นขนาดปลาอยู่ในสะดุ้งก็ยังมองไม่เห็นอีก ขนาดนั้นยังจะไปหาทำความไม่ดีอีกไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นควรจะงดได้แล้วนะเมืองถึงข่าวเช่นนั้นควรจะงดได้แล้วควรจะหันห น, าน้าหันหันใจเข้ามาสู่ศีลธรรมอะไวนี้ประกอบคุณงามความดี เ, เพราะเงินคำทรัพย์สมบัติเราเก็บ เ, เราหามาพ อ, อเป็นพอไปออหรือว่าเราหามาพอประมาณถ้ามีความขยันแต่เบื้องต้นนะ เม่นต้องมีหลักฐานมันต้องมีความผลาสุกเว้นเสียแต่สมัยเป็นน้อยเป็นหนุ่มขึ้นมาแหละมีแต่เที่ยวสเมภเเทเมากินเหล้าเมายาสนุกสนานไปหากินเหล้าบ้านนั่นบ้านนี่ไปหาคินเล่นไฮลงไฮโลไปหาตีกงตีไก่ไปหากินทำความชั่วไม่รู้จักเก็บเงินไม่รู้จักอยู่ในครอบครัวไม่รู้จกหานะ เ, เมื่อเท่าแก่ชราก็อย่างนั้นเถอะมันล้มเหลวตั้งแต่เบื้องแรกมันล้มเหลว ต, ต, ตั้งแต่ต้นมือ พอปลายมือก็ ล, ล้มเหลว อ, อีกนะเพราะอะไรพอว่ามันล้มเหลวตัง้งแต่ที่แรกนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะแนะนําลูกหลานทั้งหลายให้ตั้งตั้งหน้าตั้งตาในทำการการเมื่อสมัยเป็นน้อยหนุ่มเมื่อน้อยหนุ่มตั้งตัวได้แล้วนะต่อไปภายภาคหน้า เ, เรามาอยู่ในปูนที่เราจะตั้งหลักเราก็หันหันเหเข้ามาสู่ศีลธรรมลเลยจ้ะนี่ยว่ายพระสวดมนต์รักษาศีลภาวนา หาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจเพราะเราจะต้องเดินทางไปข้างหน้าไกลยาวไกลที่เดียวนะประโลกภัยภาคหน้านะี่เพราะนั้นขอให้พวกเราที่มาสู่วัดวาศาสนาอย่างนี้แหละไม่ใช่อย่างอื่นนะั้นลูกหลานนะจะาาตหายาจมนะ เ, เรามุ่งหวังเราตั้งความหวังไว้ปราโลกนะคราวนี้นะมาสร้างบุญสร้างกุศลปราโลกภัยภาคหน้านะแต่ที่ยังไงก็ตามสมัยเมื่อเราเป็นน้อยผุทโธ ให้ทําการทํางานก็ไม่ใช่ว่าจะหมกบุญแต่ทําการทํางานอย่างเดียววันพระอย่างนี้ก็ควรจะมารักษาศีลออกจากพ้นจากวันพระก็ทํางานต่ออีกเก็บพร้อมหลอมเล็ะไปอันนี้ก็คือผู้ที่น้อยหนุ่มถ้าเราไม่ได้สนใจเฉยๆแต่สมัยน้อยหนุ่มไม่ได้สนใจธรรมะเฉยๆไม่ได้ศึกษาเฉยๆก็ไม่ดีอีกเหมือนกันนะเพราะเหตุอลไยเพราะว่ามลรังเมฆคำนี้นะ่ะ ท่านไม่ได้เลือกว่าเอ้ยอายุแกะซะก่อนยังค่อยตายนะท่านก็ไม่ได้ว่านยอย่างในจอยเมื่อวานเห็นอายุ30สิบกว่าปีป่วยมา ก, กั น, นได้ตายลงไปแล้วเพียงอายุสามสิบกว่า เ, เป็นเนื้อ ง, งอกในสมองเน่ยใครจะไปทํานายท่ายทักได้ว่าอายุเท่านั้นเท่านี้จะตายเพราะฉะนั้นเราทาว่าเรามีิดาทำการทำงานไม่ได้ประกอบคุณงามความดีใช่เล ย, เยน้อยมากเ เ, เมื่อ มีอะไรเกิดขึ้นม า, เ, าเราก็เสียอีกเหมือนกันนะเสียอีกเหมือนกัน เ, เพราะเหไรเพราะเราไม่ได้ประกอบคุณงามความดีเพราะนั้นการทำคุณงามความดีเนะี่ยควรจะทำกันไปแต่ว่าถึงยังไงก่อนอให้เร่ ง, า ท, างทางโลกแต่ทางธรรมนะก็อย่าไปชราใจอยู่เกินไปห่างเหินจนเกินไปแล้วก็ค่อยทำไปเรื่อยๆอย่างวันพระทุกวันพระ ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาอ อ, ออกจากวันพระเอาไปทําการทํางานทาํามหาเลี้ยงชีพออพอเท่าแก่ชราอายุมากแล้วจะเนี่เออเอาปล่อยหันเหเข้าสู่ธรรมะแล้วจะเนีเออ่ยไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลภาวนาออทําการทํางานก็เพลาเพลลงจะนีออ่อไม่เหมือนแต่สมัยน้อยหนุ่มละ่ะนี่แหละถ้าหาว่าพวกเราดําเนินชีวิตอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนี่นะออชีวิตของพวกเราจะ ราบรื่นร่มเย็นเป็นสุ ข, สขกายสุขใจ อ, อไม่เดือดไม่ร้อนพ อ, อไรเพราะว่าเราได้วางแผนไว้วางแผนชีวิตของเราไวอ้อจากนั้นก่อนมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วเออ เ, อ, อเงินคำทรัพย์สงบัตรของข้ามีเท่าไหร่ข้าควรจะแบ่งปันยังไงเอาแบ่งแบง่งไว้ซะก่อนถ้าข้าตายเมื่อไหร่สูเจ้าจงจัดการตามที่ได้แบ่งไว้นน้อนี่แหละอันนี้ก็คือ การดํารงชีพด้วยการเป็นอยู่ของพวกเราท่านทั้งหลายให้วางแผนแล้วขอชีวิตของพวกเรามันมีจุดจบอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจท่านเรามีบุญคนที่มีบุญที่มีกุศลในจิตในใจและไปอยู่ณสถานที่ใดถึงจะเป็นคนเป็นพระยุคเถอดนะ มันมีความสุขมันมีความเชื่อมั่นในตนเองนะอย่างองค์หลวงตามหาบัวเนี่ยท่านบอกว่าเอาจะตายเมื่อไรก็ตายว่าเราทำคักคุณงามความดีใครจะไปอยู่โชกฟ้าดินสลายตายไม่เปลี่ยนไม่มีหรอกในโลกเนี่ยแต่ว่าเราพร้อมแล้วถ้าว่าถึงข่าวมาเราจะทำยังไงได้ไม่ตายไม่คิดจะตายอย่างนั้นเหรอมีคิดว่าจะตายไม่เป็นอย่างนั้นเหรอก็ไม่น่าจะใช่แต่เรารักษาไปยังมีชีวิตอยู่ เราประกอบคุณงามความดีมีอะไรอาหารการบริโภคเอาที่ไม่ผิดไม่ผิดศีลผิดธรรมเราก็ทำเราก็อยู่ล้า ก, ก็กินไปรักษาสุขภาพร่างกายไปจนถึงมันไม่ไหวแล้วจะทำยังไงได้เพราะมันไม่ไหวเราจะไปอยู่ไปอีกเหรอเราก็ต้องปล่อยวางมันนี่แหละอันนี้ก็คือการรักษาศีลรักษาธรรมจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะสนัตยาญาติโยมลูกหลานนะ จะไม่หลงตัวลืมตนนะออถึงการนี่มันเป็นยังไงการนั้นมันเป็นยังไงการสุดท้ายมันเป็นยังไงนี่มันได้อ่านไว้หมดเลยนะเลเพราะอะไรเพราะเราได้เตรียมพร้อมสรุปแลยเตรียมพร้อมออความเตรียมเตรียมเตรียมพร้อมของเรานี่แหละ อ, อ, อยากจะให้มีในพุทธศาสนิทชนพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายวันนี้นะ่ยพวกเราก็ได้มาเตรียมพร้อมมาออบางคนก็อาจจะมาได้ฝังได้ยินได้ฟัง อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องต้นาการประกอบคุณงามความดีคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าในเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วเบื้องต้นเราไปทำดีบั้นปลายแต่ความชั่วก็มีอยูอ่มันจะต้องให้ผล เ, เว้นเสียแต่ว่าอย่าง อ, าองค์ครีมาเนี่ยองค์ครีมาที่ท่าน ทำความชั่วแต่ตามไม่จริงความชั่วขององค์โคลิมานถ้าเราศึกษาดีนะศึกษาในประวัติของท่านท่านไม่ใช่คนชั่วคนเลวนะถ้าเป็นคนดีแต่ว่าได้พบกับอาจารย์ที่ไม่ดีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีท่านก็เลยเป็นพลอยที่ไม่ดีไปด้วยแต่ในใจของท่านตัวสันดานของท่านจริงๆเลยหรือในใจของท่านจริงๆเป็นคนดี แต่ว่าไปเจอกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็ทำให้ท่านเป็นคนเลวไปชั่วระยะหนึ่งจากนั้นท่านก็กลับเป็นคนดีขึ้นมาได้นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อสิ่งที่มันชั่วเราก็รู้เรานี่ในช่วงนั้นมันถล่มไปความชั่วเมื่อไดเราได้ฟังอัดฟังธรรมได้ฟังศีลฟังธรรมฟังแนวความคิดของ หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็กลับตัวเปลี่ยนใจใหม่เออใช่ข้าพเจ้าจะปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มันไม่ดีออกจากออกายวาจาใจของเราให้มากที่สุดนะถึงจะไม่ทั้งหมดก็ให้มากที่สุดนะออต่อนนี้ไปเราจะเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีประกอบจตกคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็ดีนะคณะชาตญาติโยมลูกหลานนะั้นแต่แต่น่าจะคิดอย่างนี้ พวกเราท่านทั้งหลายน่าจะคิดอย่างนี้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแต่เอาเถอะในช่วงนี้มันตัดสินใจยังไม่ได้นะนพูดเร็วเกินไปให้มันเร็วเกินไปกลับไปถึงบ้านแล้วไปหาที่พักเอ า, ามือกายหน้าภาคิดดูสิสิถ้ามันเป็นจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดนะก็พวกเราควรจะไปปรับปรุงกายใจของเราไปในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรมเมื่อทำกรรมทาดี ทำคุณงามความดีทำดีแล้วนะ อ, อมันจะหาความจะหาโทษหาภัยได้ที่ไหนเพราะทำดีฮนะเมื่อคิดเมื่อทำชั่วแล้วก็จะหาความดีได้อย่างไรนี่นั่นะนะมันอยู่ในใจของเราทั้งหมดมันออกไปจากใจนะทั้งหมดนะพูดไปเท่าไหร่ก็พูดคล้ายๆเราพูดทางนอกไปเฉยๆแต่ต้นตอของมันจริงๆก็คือใจนะนะั่นแหละให้ย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจนะนะั่นแะ มันออกไปจากใจทั้งหมดในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนะี่อนนไปพระ ส, สงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในตนีนะ่า